ใครไม่เคยมาไหมมีไหมเคยที่ไม่เคยมาคนไหนไม่เคยฟังหลวงพ่อเลยไม่เคยฟังซีดีไม่เคยอ่านหนังสือมีไหมฟังมาแล้วเหรอฟังมาแล้วก็ดีสอนง่ายวิธีสิ่งที่หลวงพ่อพูดนะั้นมันฝืนความรู้สึกฝืนความเชื่อเก่าๆอย่างเราเคยเชื่อแปลกๆนะเช่นเราเชื่อว่า ต้องทําสมาธิเข้าฌานก่อนถึงจะทํามิปัสนาได้หลายคนเชื่ออย่างนั้นไม่รู้ไปเอามาจากไหนในพระไตรปิฎกก็ไม่ได้สอนอย่างนั้นไตรปิฎกก็สอนธรรมมาไว้หลากหลายพระพุทธเจ้าสอนธรรมมาไว้หลากหลายพระนอนุลัท่านเคยสรุปนะมีหลายแบบพวกหนึ่งทําสมถะก่อนแล้วมาเจริญมิปัสนา พวกหนึ่งเจริญวิปัสสนาก่อนแล้วค่อยมีสมถะพวกหนึ่งทำควบกันพวกทาควบกันคือทาอยู่ในฌานทาฌานแล้วก็เจริญปัญญาอยู่ในฌานไม่ได้มีแบบเดียวเราก็ชเชื่อว่าต้องเข้าฌานทำสมาธิลึกก่อนถึงจะมาเจริญวิปัสสนาได้บางคนมันชาตินี้ไม่มีวันทำสมาธิได้เลยกลายเป็นว่าไม่มีวันทาวิปสัสสนาสักทีไม่มีไม่มีโอกาสจะทา เข้าใจผิดแล้วที่สําคัญคือคนที่ชอบทำสมถะนะไปชอบทำสมถะแบบมิจฉาสมาธิไม่ใช่สัมมาสมาธิเกือบทั้งหมดเลยที่เคยพบเคยเห็นนะหลวงพ่อก่อนจะบวชหลวงพ่อตระเวนไปเยอะเลยเที่ยวไปดูผู้ปฏิบัติที่โน้นที่นี่เกือบทั้งหมดจนะทำมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิคือทําสมาธิทําความสงบนะแต่ขาดสติขาดปัญญา ถ้าขาดสติซะอย่างเดียวเนี่ยนะมันไม่เป็นมันเป็นอ ก, กุศลแล้วไม่ใช่กุศลลสมาธิเกิดกับจิตอ ก, กุศลได้นะสมาธิไม่เหมือนสติสติเกิดเฉพาะกับจิตที่เป็นกุศลปัญญาเกิดเฉพาะกับจิตที่เป็นกุศลแต่สมาธิน่เกิดกับจิตอ ก, กุศลก็ได้นี่พอไปหัดทำสมาธิแล้วไม่มีสตินี่น่ากลัวไม่หัดจะดีกว่า ยกตัวอย่างนะสมาธิแบบไม่มีสตินั่งแล้วก็เคลือนี่หลวงพ่อทำเหมือนนะก็ <c oughs> ข้างในเนี่ยทำให้เคลิ้มไปเลยนะชำนานมากเรื่องเหลวไหลทำมาเยอะเนะลยนั่งแล้วก็เนี่ยเคร่งเครียดมากเลยนะบังคับข่มไว้ข่มๆมนะจะให้จิตนิ่งอันนี้ก็ทำด้วยโลภะทำด้วยโทสะนะไม่ได้ทำด้วยสติ ยังพวกน้อมใจบางพวกก็ทําให้เยิ้มเยิมเยอะเมมีความสุข <c oughs> มันขาดสติเนยชอบทำนะชอบทำสมาธิเหลวเหลวไหลไหกันทีก็นั่งแล้วก็เห็นโน้นเห็นนี่นะส่งจิตออกไปข้างนอกส่งจิตไปนอกศาลาไปโน้นไปนี่เที่ยวไร้สาระสมาธิที่ทําส่วนมากมันเป็นมิจฉาสมาธิ สมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิต้องประกอบด้วยสติต้องมีสตินะฉะนั้นไม่ไม่ให้ขาดสติยกตัวอย่างอย่างเรารู้ลมหายใจหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่หายใจแล้วทำใจเคลิมเคลิมรอยๆยนิ่งนิ่งสมาธิต้องรู้สึกตัว เวลาเราเข้าฌานจริงๆนะเข้าด้วยความรู้สึกตัวนะกระทั่งร่างกายหายไปยังไม่ขาดสติเลยเหลือแต่ใจดวงเดียวเป็นดวงรู้ผุดเด่นอยู่อย่างนั้นเองไม่มีความขาดสติเกิดขึ้นเลยถ้าขาดสติมันก็ไม่ใช่สัมมาส ม, มาธิละนัอน่าฝึกให้เคลิๆเคลิฝึกรู้สึกตัวยกตัวอย่างนะเช่นหายใจหายใจบางคนก็ชอบส่งจิตให้ไปเคล้าอยู่กับลม ส่งฉีดให้ไปอยู่ที่ลมหายใจใจจะเบาสบายเคลิมคล้มมิจฉาสมาธิ น, นี่ถ้าจะฝึกสมาสมาธินะเห็นร่างกายนี้หายใจใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายนี้หายใจนะใจเราเป็นคนดูลืมตาก็ได้นะดูพระพุทธรูปสิพระพุทธรูปลืมตาทุกองกระทั้งพระนั่งสมาธิก็นั่งลืมตาไม่ได้นั่งหลับตา ในหลักสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนก็ไม่ได้บอกให้หลับตาท่านบอกเวลาทําสมาธินะท่านบอกพิกสูจทั้งหลายให้เธอคู่บัหลังคู่บันลังหมายถึงนั่งขัดสมาธิทาไมต้องนั่งขัดสมาธิเพราะนั่งแล้วมันไม่พิกลพิการง่ายท่านไม่มีเก้าอี้นั่งถ้าเป็นยุคเราพิสูจทั้งหลายนั่งเก้าอี้นะหลังพิงหลังพิงให้สบายๆนะแต่อย่าให้หลับตัวตรงๆไว้เนี่ยคู่บันลังสร้างกายตรงถ้ากายไม่ตรงอ้อยสร้อยเดี๋ยวก็หลับสิ คู่บัลลังก์สร้างกายตรงดำลองสติเฉพาะหนะ้าเห็นไหมมีสติหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจยาวรู้สึกทำไมยาวก่อนนะเวลาที่จิตจะรวมจะหายใจสั้นสั้นของมันเองจะหายใจตื้นขึ้นตื้ น, น, นขึ้นตื้นขึ้นหยุดปั๊บลงไปเลยนะหยุดของมันเองถัดจากนั้นมันเหมือนหายใจทางผิวหนังเลยะ ท่านสอนบอกภิกษุทั้งหลายให้เธอคู้บัลลั ง, งก์ตั้งกายตรงดำลงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวให้รู้ไม่ใช่ให้ขาดสติท่านไม่ได้สอนนะภิกษุทั้งหลายให้เธอคู้บันลังก์ตั้งกายตรงดำลงสติเฉพาะหน้าแล้วหลับตาด้วยไม่มีคำว่าหลับตาเราชอบใช่เราชอบไปดูหนังทีวีสีช่อง7ตอนเช้าเก่อนเนี้ย รือสีต้องนั่งเงี้ยล้างกลับตาต้องหนวดยาวๆได้ยิ่งดีนะถ้านั่งจนกระทั่งลกกระจกเข้าไปทำรังในหนวดได้นะขลังที่สุดนี่ระดับนี้เหาะได้ล้นะเราไปติดภาพของรือสีมาแล้วนะรู้สึกตัวไว้นะชาวพุทธต้องรู้สึกตัวนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไม่น้อมจิตให้นิ่งหลวงพ่อเสียเวลาตรงนี้ย2สบปีเลยชนานาญมากเลย ชำนาญในเรื่องเหลวไหลนะไม่ใช่เรื่องดีๆนั่งแล้วก็ขาดสติอะไรงเงี้ยใช้ไม่ได้หรอกต้องมีสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวเรื่อยๆพอเรารู้สึกตัวไปนะเราก็เห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดนะูต่อไปพอใจมันหนีแว บ, บไปเราก็รู้ทันว่าจิตมันหนีไปแล้วเรารู้ทั้งกายรู้ทั้งใจรู้ไปเรื่อยๆนะถึงตอนไหนจิตมันควรจะพักผ่อนมันก็จะเข้าไปสงบนิ่งๆเฉยๆว่างๆ เป็นจิตที่มีสติแต่ไม่เดินปัญญาถึงช่วงไหนจิตมีเรี่ยวมีแรงจิตตั้งมั่นขึ้นมานะมีสติด้วยแล้วก็เดินปัญญาด้วยเนี่ยจิตมันจะพลิกไปพลิกมาระหว่างที่เราเจริญวิปัสสนาอยู่เนี่ยไม่มีใครทำวิปัสสนารวดเดียวจิตจะต้องพลิกเข้ามาเป็นสมถะเป็นช่วงช่วงนะสลับกันไปเรื่อยวิปัสสนาโดดโดไม่มีนะแต่สมถะโดดโดดมีเนี่ยคนละเรื่องกัน ยิ่งจะเอาแต่สงบอย่างเดียวสงบกับสงบนะใกล้เคียงกันต้องเอาความรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวยืนก็รู้สึกเดินนั่งนอนรู้สึกคอยรู้สึกตัวไปเรื่อยๆทำอะไรก็รู้สึกเหลียวซ้ายแลขวาคอยรู้สึกแต่รู้สึกสบายๆนี่ตรงนี้มีเคล็ดลับอีกล้วจำไว้นะมีเคล็ดลับต้องรู้สึกสบายๆถ้ารู้สึกแบบเคร่งเครียดก็ทําผิดอีกมันเครียดได้เพราะว่ากิเลสมันเกิดมันอยากให้ดีก็ไปบังคับตัวเองก็เลยเครียด งั้รู้สึกตัวอย่างสบายเห็นร่างกายพยักหน้าเนี่ยเราก็รู้สึกตัวนะรู้สึกตัวเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวพยักหน้าได้ไหมได้รู้สึกตัวเดี๋ยวซ้ายแลกขวารู้สึกรู้สึกตัวไว้การที่เราสามารถรู้สึกตัวอยู่ในชีวิตประจําวันได้เนี่ยเนี่ยคือสุดยอดของกรรมฐานเลยยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวจะเหลยวซ้ายแลกขวารู้สึกตัวเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยๆก็รู้สึกตัว เกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงเกิดฟุ้งซ่านเกิดหดหูเกิดสงสัยก็รู้อะไรเกิดขึ้นรู้ลูกเดียวเลยเห็นแต่ว่าสิ่งทั้งหลายมันไหลามาแล้วก็ไหลไปฝึกอยู่อย่างนี้แหละใช้เวลานิดเดียวใช้เวลาไม่นานในห้องนี้มีอยู่คนหนึ่งนะที่เป็นลูกศิ์ ร, ร่วมอาจารย์กับหลวงพ่อคือพี่วัยพี่วัยลูกศิษย์หลวงปู่เทศมาด้วยกันไปหาหลวงปู่เทศด้วยกันบ่อยๆแต่ก่อนตอนนั้นหลวงปู่ ด, ดุลไม่อยู่แล้วต้องไปอยู่กับหลวงปู่เทศแทน เวลาไปส่งกันบ้านท่านนะทีพระก็มาฟังเส่งกัรบ้านเสร็จแล้วออกมาจากหลวงพุ่เทศนะพระมาถามทำไมโยมทำได้เร็วโยมใช้เวลาปีหนึ่งพระใช้เวลาหลายปีเลยกว่าจะทำได้อย่างโยมผมรู้สึกตัวทั้งวันนะเราได้หัวใจของกรรมฐานมาแนละ้วคือการมีสติในชีวิตประจําวัน หัวใจของกรรมฐานไม่ใช่การนั่งทําความสงบเฉยๆอยู่หรือการคิดพิจารณาเรื่องโน้นเรื่องนี้ใช้ความคิดเอาแต่การทําความสงบเพื่อทำให้จิตมีเรื่องมีแรงถึงเวลาก็ต้องทําไม่ทิ้งนะสมถะก็ไม่ทิ้งแต่ต้องทําเป็นอย่าทําให้เป็นมิจฉาสมาธิต้องทําให้มีสัมมาสมาธิคือ ท, ทำแล้วเกิดสติหายใจไปก็รู้สึกตัวหายใจแล้วก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกไป ถึงคราวที่จิตจะรวมนะมันรวมของมันเองนะรวมลงนิ่มๆเลยรวมเหมือนนักบินฝีมือดีแลนดิงนิ่มมากเลยนิ่มค่อยๆแตะไม่เหมือนตอนลงภูเก็ตนะลงรถตูมชนภูเขาไปเลยนั่นจะลงนิ่มๆนะรู้เนื้อรู้ตัวตลอดสายนะเวลาจิตพักพอสมควรจิตก็เคลื่อนขึ้นมาแล้วก็มีสติเห็นจิตเป็นเคลื่อนขึ้นมานะออกมาอยู่กับโลกข้างนอกนี้ ออกมากระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็รู้สึกอีกรู้สึกอีกกระทบแล้วจิตเป็นยังไงก็รู้สึกอีกนี่ฝึกให้ได้นะหลวงปู่มั่นเคยสอนไว้บอกว่าทำความสงบมากเนิ่นช้าแต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้ทำนะทำมากหมายถึงทำทั้งวันทำทั้งคืนทำอย่างเดียวเลยไม่ทำอย่างอื่นเลยเนิ่นช้าหมายถึงว่ากี่ภพกี่ชาติก็ไม่รมบรรลุมรรคผลนิพพานหรอกเนิ่นช้า ทำความสงบมากเนื่นช้าทำความสงบพอดีพอดีใช้ได้นะอย่าเร็วทำความสงบมากเนื่นช้าคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านบางคนไม่ทำความสงบเลยนะบางอาจารย์สอนคิดอย่างเดียวพิจารณาผมควรเล็บฝันนังคิดลูกเดียวเลยนะคิดคิดคิดฟุ้งซ่านนะเพราะฉะนั้นก่อนจะคิดพิจารณากายต้องทำความสงบก่อนพอสงบพอสมควรแล้วไม่ติดค้างอยู่ในความสงบนะออกมารู้กาย นะคิดพิจารณากายเป็นการกระตุ้นไม่ให้จิตติดความสงบความเฉยหมดเวลาทําความสงบหมดเวลาพิจารณกายและในชีวิตประจําวันเนี่ยยืนเดินนั่งนอนต้องรู้สึกตัวนะท่านสอนคีย์เวิร์ดไว้กลุ่มหนึ่งน่าฟังนะบอกว่าทําความสงบมากเนิ่นช้าคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านหัวใจสําคัญของการปฏิบัติคือการมีสติในชีวิตประจําวันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนต้องรู้สึกตัว นะท่านสอนพระบอกว่าจะครองผ้าจีวรจะซ้อนสังฆาติจะทําอะไรเนี่ยรู้สึกตัวไม่ทําอย่างคนลืมเนื้อลืมตัวงั้นเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์นะถ้าเราลืมเนื้อลืมตัวเราจะถูกด่าครูบาอาจารย์ไม่สอนอย่างที่หลวงพ่อสอนนะไม่ค่อยพูดหรอกหลวงพ่อก็เคยโดนเล่าให้พวกเราฟังหลายทีแล้วมีครั้งหนึ่งไปนวดหลวงปู่สามนวดไม่เป็นหรอกนะอยากได้บุญก็ไปนวดท่านอย่างนั้นแหละท่านก็ยอมดีไม่ดีท่านเคล็ดด้วยซ้ําไป หลวงพ่อละวัดเสียวกลัวกรรมสนองอย่ามานวดเรานะ <laughs> ไปนวดท่านนะหลวงปู่สามเนี่ยมีลักษณะเด่นอย่างคือไม่พูดเป็นพระที่ไม่พูดเลยเงียบอยู่ได้เป็นวันๆก็ไม่พูดสักคำหนึ่งอยู่กับท่านเนี่ยสบายหูที่สุดเลยไม่มีเสียงอะไรเลยไปนวดนวดนว ด, นวดท่านนะพอเราใจลอยแวบไปคิดเรื่องอื่นนะไม่เต็มใจจะนวดก็ไม่ต้องนวดหรอก ให้ เ, เราเต็มใจนะนวดเองนวดใจลอยแวบไปไม่เต็มใจนวดก็อย่านวดเลยเนี่ยครั้งที่สมนะถึงรู้ว่าท่านสอนอะไรท่านสอนให้เรามีสติไม่ให้ลืมเนื้อลืมตัวใจเราแอบหนีออกไปอย่างเรานวดครูบาอาจารย์อยู่ไม่ใช่ว่าต้องนวดแล้วจ่ออยู่ที่การนวดนะอันนั้นเพ่งไม่ใช่รู้สึกตัวจุดสําคัญอยู่ที่อย่างเรานวดครูบาอาจารย์อยู่แล้วใจเราลอยไปนี่ให้มีสตริรู้ว่าใจลอยแค่นี้เองไม่ใช่ว่าห้ามใจลอย นะไม่ห้ามนะแค่ใจมันเคลื่อนไปเรารู้ว่าเคลื่อนไปเท่านี้เองแหละแม้ท่านจะบอกดีๆก็ไม่ได้ท่านดุสเราฝ่อไปเลยช่วงนั้นนะโดนเข้าไปสามรอบนะอ๋ออ๋อแล้วสบายแล้วอันนี้ท่านก็นั่งยิ้มยิมเลยไม่พูดอะไรนะนวดพอสมควรนะเอาท่านใส่รถเข็นนะเข็นเที่ยวท่านอยากจะกลับวัดเราต้องพยายามหลอกท่านนะตอนนั้นอยู่สิริราช ท่านเอไก็จะกลั บ, บวัดไส่วีเอกอย่างเดียวเดี๋ยวหลวงปู่หลวงปู่ไปดูแม่น้ํากัน <c oughs> เอาใส่รถเข็นนะเข็นเข็นเข็นเลยนี่หลวงปู่ดูแม่น้ําท่านก็นั่งเฉยๆดูแลท่าทางท่านก็นกลับวัดห <c oughs> ลวงปู่ไปดูไ้น่นอีกหน่อยนะหมอก็บอกให้ช่วยหลอกให้ท่านอยูนะ่อย่ารักษาอีกนะี่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่ค่อยพูดนะท่านทําให้ดูเราต้องสังเกตเอา สุดสำคัญเลยหัวใจเลยคือมีสติถ้าขาดสติก็คือขาดการปฏิบัติจำไว้นะนี่หลวงปู่มั่นสอนถ้ามีสติคือมีความเพียรขาดสติก็คือขาดความเพียรมีสติก็ปฏิบัติอยู่นั่นแหละขาดสติคือไม่มีการปฏิบัติล้งั้นไม่ใช่นั่งสมาธินะหัวสุกหัวซุวซอนอยู่ขาดสติอยู่แล้วบอกว่ามีความเพียร น, นั่งโต้รุ่งอันนั้นไม่เรียกว่านั่งแบบมีความเพียรแต่เรียกว่านั่งทรมานตัวเอง เดินจงกรมนะเดินโต้รุ่งเลยอันนั้นเรียกว่าเดินทรมานตัวเองนะถ้าขาดสตินะถ้าเดินแล้วมีสตินะั้นพิเศษมากขอให้มีสติเท่านั้นแนหะอย่าให้ขาดสติสติจําเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนี่หลวงปู่เทศสอนหลวงพ่อมาวันนี้รีเฟอร์อาจารย์มากหน่อยเพราะอาจารย์เราเยอะมีทั้ง40กว่าองค์รีเฟอร์ไม่ครบสักวันหนึ่งแต่คงไม่ครบ40กว่าองค์รู้ส็จรู้สึกนะพอหยุดพูดแล้วใจหนีไปคิดดออกไหม ใจหนีไปนะรู้สึกเอาเนี่ต้องตรวจกันบ้านทีละชั้นอย่างนี้แหละเดี๋ยวนี้ยกมือก็ป่วยการแล้วยกกันไม่ทั่วแล้วพยายามรู้สึกตัวนะรู้สึกนะชะตากรรมจะถึงใครไม่รู้นะรู้สึกตัวไว้นะพยายามรู้สึกไว้นะรู้สึกไว้นะรู้สึกเอาพวกอยู่วัดกันเชิญมีอะไรก็คุยไม่มีก็ผ่าน วันนี้ครบจะกลับวัดแล้วค่ะจะันมีอะไรจะรแม่ชีฟังซีดีหลวงพ่อนะแล้วสังเกตกิเลสไปคอยสังเกตกิเลสไปเนะช่นใจลอยไปก็รู้เนี่ยเมื่อกี้ใจลอยไป แ, แว๊บหนะึ่งละใจลอยเราก็รู้ตอนนี้เราอัดไว้แน่นๆแล้วรู้สึกไหมใจเราแน่นขึ้นมาเราก็รู้นะใจเราเป็นยังไงเรารู้ลูกเดียวีย่ใจลอยอีกแว๊บๆ2ทีต่อกันรู้สึกไหม แวบไปสองเรื่องเลยแล้วก็รู้นะได้รู้อย่างนี้เรื่อยๆกําลังอยากถามว่าเป็นอกุศลกับกุศลใช่หรือเปล่าอะไรนะเป็นกุศลกับอกุศลใช่ใช่ใชนะ่ในขณะที่อกุศลเกิดขึ้นแล้วเรารู้ทันนะจิตขณะนั้นเป็นกุศล น, นะเวลาเราเผลอไปจิตเป็นอกุศลตรงที่รู้ว่าเผลอไปแล้วนั้นจิตเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วไม่ต้องทําอะไรมากกว่ารู้นะให้ฉีรู้ลูกเดียวเลยนะ กลับนะวัชการพระอาจารย์เมื่อวานพระอาจารย์บอกก็กดไปวันนี้เคยเห็น <กด S 1> ไหมวันนี้ดีกว่าเมื่อวานใจปร่งกว่าเมื่อวานดูออกไหมใช่ค่ะนะเออไม่กดมันก็สบายสิปิดกดไปมันก็อึดอัดสิและก็เมื่อวานนี้ตอนที่เดินจงกรมตอนเย็นนะคะมีความรู้สึกว่ามีเสียงภาคอยู่ในหัวแล้วบางทีก็เป็นห้ามไม่ได้ไ ม, ได ม, มันอยากภาคก็เรื่องมัน<โ>เห็นไหมมันภาคได้เองดูออกไหมมันภาคได้เอง บางทีเป็นเป็นเสียงพระอาจารย์ด้วยอะ่ะช่างมั น, ปนไปเลรผีหลอกก็ช่างมันห <c oughs> ลวงพ่ อ, อเทศทั้งวันทั้งคืนนะเดี๋ยวนี้บางคนได้ยินเสียงเรามีอยู่คนหนึ่งมาเล่าฟังเราวน่ากลัวเปิดซีดีฟังอยู่นะฟังไปพอสมควรปิดแล้วปิดไปตั้งนานแล้วพระ อ, อาจารย์ยังไม่หยุดเทศเลย <c oughs> <c oughs> ากาจารกอยากอยากขอการบ้านกลับไปค่ะวันนี้จะกลับบ้านแล้วไปทางซีดีแล้วก็สังเกตจิตไปเรื่อยๆนะไม่มีอะไรมากของคุณเริ่มดีขึ้นแล้วจําไว้อย่างเดียวอย่าไปเพ่งอย่าไปกดไว้ผู้ปฏิบัติพลาดตชอบไปกดไว้นะั่นแหละนํามาทําการหลวงพ่อก็ขอขับขอขับแนะนำครับอย่างเพ่งอยู่นะเพ่งแรงวันนี้เพ่งเบากว่าวันแรกดูออกไหมต้องปล่อยให้ได้นะต้องอย่าไปบังคับมัน ตอนนี้เราเหมือนกิเลสมานักกูจะหักคอมึงกดไว้เง <lad> ี <ad rempl i darauf> ้ยกดไว้กลัวกิเลสเกินไปกดมันกลัวว่ากิเลสจะโผล่ขึ้นมาอย่าไปกลัวมันโผล่ขึ้นมาแล้วมีสติรู้เอาใจถึงถึงนะถือศินห้าไว้ก่อนถือศินห้าไว้แล้วก็กิเลสเกิดขึ้นมาเรารู้กิเลสเกิดขึ้นมาเรารู้รู้เลื่อยเดี๋ยวดีอีกแบ่งโซนนะแบ่งโซน พวกถามน้อยก่อนพวกข้างหน้าเนี่ยมักจะถามน้อยเป็นเกียรติประวัติที่ดีนะถามมากเนี่ยพวกไม่ดีนะฟุง้งซ่านถ้าไม่คิดมากไม่มีคำถามจำไว้ <laughs> เช่นใจสงสัยแล้วสงสัยรู้ว่าสงสัยความสงสัยก็แสดงใจรากเกิดแล้วก็ดับไม่เห็นต้องถามเลยนะฉนั้นคนที่คิดมากก็ถามมากฟุง้งซ่านเยอะให้รู้ไว้ให้เยอะๆนะพูดให้น้อยๆ ทีมด้านนี้ก่อนใครจะคุยกับหลวงพ่อชวนยกมือเบอร์1ิบเอดบอร์ิบอตั้งแต่หลังปีใหม่มาค่ะมันคือรู้สึกว่าตัวเองภาวนาไม่ดีแล้วก็มันทุรนทุรายาเอาอะไรวัดว่าไม่ดีคือคือชอบสภาวะที่โล่งสบายอะค่ะแล้วมันไม่เห็นอย่างนั้นก็เลยอ๋อแต่ก่อนนั้นโล่งสบายเลยว่าดีเข้าใจผิดแล้ว ดีหรือไม่ดีนะอยู่ที่รู้หรือไม่รู้เช่นมันโล่งสบายแล้วเราพอใจอันนี้ไม่ดีนะความพอใจแอบแทรกเข้ามาแล้วตอนนี้ใจฟุ้งซ่านใจเราห ง, งุดหงิดนะเราไม่ชอบเลยเรารู้ว่ากำลังไม่ชอบอยู่อันนี้ดีนะดีหรือไม่ดีอยู่ที่เรารู้ทันกิเลสหรือเปล่าสังเกตไหมจิตฟุ้งซ่านดูออกไหม อยากให้สงบดูออกไหมให้ไปรู้ที่อยากนะตรงที่อยากสงบนี่แหละกิเลสให้รู้ทันตัวนี้เพราะความอยากดับนะั้นจิตสงบเองเลยจิตทำไมมันดิ้นรนไม่เลิก จ, จิตที่ดิ้นรนจิตที่ทางานจิตที่ปรุงแต่งก็คือจิตที่สร้างภพตัณหาเป็นผู้สร้างภพความอยากเกิดขึ้นนะจิตจะทำงานอย่างจิตเราฟุ้งซ่านเราเห็นว่าจิตฟุ้งซ่านนี่จบไม่มีการทางานต่อ เราอยากให้จิตสงบเราพยายามจะให้สงบตรงที่จงใจจะให้สงบเนี่ยเราสร้างพบขึ้นมาใจจะมีความทุกข์ขึ้นมานะยิ่งให้รู้ไปนะจิตฟุง้งซ่านรู้ว่าฟุงา้งซ่านนะอยากให้หายรู้ว่าอยากนะอยากกลุ้มใจนะเป็นอย่างนั้นทุกคนแหละจิตมีธรรมชาติเจริญแล้วก็เสื่อมช่วงนี้เจริญภาวนานดีช่วงนี้เสื่อมอันนี้เป็นปกติ ถ้าจเจริญลูกเดียวไม่มีเสื่อมเลยเนี่ยพวกเข้าชานแล้วอืว่าไงแล้วไงแล้วไง <c oughs> ให้เป็นกลางไว้นะให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางรู้ตัวนี้นะเบอร์เจ็ดสบเก้านึกออกแล้วเหรอทำยังมันไม่มีแรงด้วยหรือเปล่าคะไม่มีแรง<ำ>ไม่มีแรงรู้ร่างกายไหม <c oughs> เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนกระดุกกระดิกรู้สึกกายไป <c oughs> เดี๋ยวมีแรง โดยจิตยอย่างเดียวแรงน้อยไปเมื่อ79ก่อนนศการหลวงพ่อครับมผมส่งกันบ้างสุดท้ายเมื่กเดือนก่อ น, อนก็ <c oughs> การภาวนาเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจิตมันไหวขึ้นไหวขึ้นเวลาหลงไปคิดนิพพานไม่เกิน5วินาทีก็รู้อยู่เป็นเรื่องทํางานหรือไม่เกินเรื่องเกี่ยวธรรมะ <c oughs> แต่แล้วก็ผมรู้สึกว่าจิตมันเหมือนจะเป็นกลางแต่ไม่แน่ใจฮะจิตเป็นอะไรนะ จิตเหมือนจะเป็นกลางมากขึ้นเรื่อยๆสุขทุกข์เสมอกันเบี้ยวช่วเสมอกันแล้วช่วงนี้จะเห็นมาหน้าตาตัวเองบ่อยมากๆแน่ๆนะเดี๋ยนี้ดูให้ดีนะเดี๋ยนี้แรงแล้วเอ๋ด้วยภูมิทํามของปัจจุบันเนี่ยบางทีผมมีเพื่อนเนี่ยที่ไปปัดทำด้วยการร่วมทุกเนี่ยผมไปแนะนําเขาจะทาเขาหลงทางไหมฮะเอออย่าเพิ่งแนะครเลยนะครับผมถ้าอยากแนะครเนี่ยเอาซีดีหลวงพ่อไปให้เขาฟังปลอดภัยกว่านะของคุณเนี่ยยังต้องฝึกก่อน ฝึกตัวเองให้ดีให้เยี่ยมเยี่ยมก่อนนะแล้วอีกหน่อยช่วยหลวงพ่อเทศเบอร์สามสิบาสามสิบห้าการมรดกกาหลวงพ่อครับคือช่วงนี้จิตก็ค่อนข้างฟุ้งซ่านมากแล้วก็เหมือนกับบางทีก็เห็นจิตมันแบบเป็นก้อนอยู่ข้างในครับแล้วก็มันเหมือนกับแบบพยายามแบบดิ้นหนอจากก้อนตรงนั้นมันก็จะดิด้นไม่ออกครับ อ, อย่าอย่าไปดิ้นมันหลวงพ่อก็เคยยุ่งกับก้อนเนี้ยุ่งอยู่3มเดือนนะจนโดนหลวงพูดูลดูเอา เราไม่ได้ดูจิตแล้วเราไปวุ่นวายอยู่กับอาการของจิตนะให้รู้ไปจิตเราไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบนะแค่นั้นแหละพอเราช่วงนี้ยังติดสงบอยู่หรือเปล่าครับเพราะคราวที่เราส่งกันบ้านหลวงพอ่อหลว ง, งพ่ อ, องสงบตอนนี้ไม่ค่อยสงบตอนนี้ฟุ้งซ่านมากกว่านะพยายามรู้สึกร่างกายไปด้วยนะ ร, ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกนะอย่าดูจิตอย่างเดียวเดี๋ยวถล่มเข้าไปเพง่งต่อไปเบอร์ร้อยสบสอง ทิ้งกายไม่ได้นะไม่ใช่ว่าดูจิตแล้วไม่เอากายนะบางคนจะดูจิตล้วนๆดูจิตล้วนๆก็กลายเป็นอรูปสิเพ่งดูกายล้วนๆก็เป็นรูปประชันก็เพ่งอีกแล้วแต่สติจะเกิดอ อ, อยากทราบว่าที่ปฏิบัติตอนนี้ต้องปรับปรุงอะไรไหมครับก็ลดความจงใจลงนิดนึงนะยังบังคับมันแรงไปไ ร, นะรู้เล่นๆรู้สบายๆ<ม>ของคุณเบอร์สานะิบห้น่ะมันไม่ค่อยมีแรง ปัญหานะมันไม่มีแรงใจมันฟุง้งใจมันเหนื่อยก็พักผ่อนบ้างทำความสงบบ้างเบอร์112แล้วไงอีกแล้วเออคือเห็นหมอกหลมพ่อบอกว่าให้ใช้กายช่วยผมก็เลยลองแบบขยับมือขยับมือครับแต่ว่าก็ขยับแล้วดูใจใจแข็งไปไหมขยับแล้วใจแข็งแข็งใจหนักหนัไหม ถ้าขยับแล้วใจแข็งใจหนักนะแสดงว่าไม่ได้รู้กายหรอกแต่ไปบังคับเพราะไปเพ่งเงีนะงั้นสังเกตที่ใจนะถ้าทํากรรมฐานอะไรแล้วใจเราหนักหนักขึ้นมาทําผิดนะทําผิดแล้วอยากขยันหยุดก่อนหัดรู้สึกใหม่รู้สึกใหม่พยายามรู้สึกตัวเรื่อยๆตอนนี้ใจไปคิดทราบไม้มใช่หนีไปคิดใช่ไหมใจงง ง, งรู้สึกไหมงงว่าเอ็มคิดยังไงว่า ถ้าให้รู้ทันลงไปพอรู้ทันแล้วใจมือจะโล่งขึ้นมารู้สึกไหมใจมันโล่งขึ้นตะกี้เอาอีล้เริ่มเริ่มบังคับอีกแล้วจงใจจะดูอ๋ออย่างนี้คือบังคับอย่างนี้ก็บังคับแล้วใช้ไม่ได้วัยยี่อ28ครับคือจริงๆปฏิบัติกับหลวงพ่อมาสักพักนึงแล้วแต่ว่ารู้สึกมันรู้ตัวไม่เป็นสัทีครับก็จะขอกันบ้านหลวงพ่อไปปฏิบัติต่อ จะรู้ตัวนะต้องหัดรู้สภาวะก่อนเช่นความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ความโลภเกิดก็รู้ใจลอยก็รู้หัดรู้ไปเรื่อยๆใจเราเป็นสุขก็รู้ใจเราเป็นทุกข์ก็รู้หัดรู้บ่อยๆต่อไปพอจิตมันจําสภาวะแม่นนะพอมันโกรธปุ๊บมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาเลยรู้ว่ากําลังโกรธอยู่แล้วจะเห็นเลยความโกรธเป็นแค่สิ่งแปลปลอมเข้ามาความโกรธไม่ใช่ตัวเราใจหนีไปคิดทราบไหมพอหลวงพอ่พอทักก็เริ่มเห็น นะครยรู้ทันจิตที่แอบไปคิดไปอีกแล้วรู้สึกไหมหัดรู้อย่างนี้นะใจไหลไปคิดเรารู้ใจไหลไปคิดเรารู้ไปอีกแล้วรู้สึกไหมครับมันไหลเพิบไปแล้วอย่างนี้ควรจะขอกันบะจะขอกันบ้านหลวงพ่อไปปฏิบัติต่อหาวิหารแล้วทำอันหนึ่งก่อนนะเช่จนจะอยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่ ก, กับการเดินจงกรมก็ได้นะเดินไปแล้วก็เห็นร่างกายเดินหรือว่าพุโทโธไปเรื่อยเรู้สึกตัวไป พุทโธพุทโธแล้วใจลอยรู้ว่าใจลอยพุทโธแล้วใจลอยรู้ว่าใจลอยพุทโธแล้วใจหนักหนักขึ้นมารู้ว่าใจหนักหนักพุทโธแล้วคอยรู้ทันใจต้องซ้อมอย่างนี้ก่อนนะ<ร>ถ้าไม่ชอบพุทโธก็เดินเอาเดินจงกรมเดินไปเห็นร่างกายมันเดินนะเดินไปเดินไปใจลอยไปแล้วรู้ว่าใจลอยเดินแล้วใจหน Lang ักหนักรู้ว่าใจหนักหนักเดินแล้วใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะไปหางานทําขึ้นสักอันหนึ่งก่อนนะมันจะช่วยให้เราเรียนได้เร็ว อ้าวโซนนี้บ้างโซนข้างหน้าด้านนี้พวกที่เพิ่งถามไปไม่เกินเดือนนะอย่าถามอีกนะให้คนอื่นบ้างเบอร์ร้อยสิบเอ็ดอุตสาหโฆษณาทุกวันไม่ให้ถามพขถามทุกวันกับนักการหลวงพ่อครับผมไม่ค่อยได้มาครับก็ที่ <c oughs> นี่นะที่ทบอกมีคนเหมือนอำหลวงพ่อด้วยตอนนั้นเปิดเปิดวัดมานะวันที่สามมกรา พอถือยกมือเลยทำส่งกันบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ปีไกลค่ะอ่ะนานแล้วได้เห <c oughs> <c oughs> มือนเพิ่งสองสามวันเอง <c oughs> ครับที่บอกว่าไม่ได้มาเพราะว่าที่ที่ทำอยู่นะครับเพราะที่ที่ที่ดูอยู่ก็คือตามดูเวทนานะครับมัน <c oughs> ทำงานไปนตามดูสังขาร น, นะแล้วก็คือตามดู ตามดูที่มันเกิดขึ้นนะหลวงพ่อทั้งกายทั้งใจนะที่เป็นทํางานไปนะครับแล้วแต่บางครั้งเนี่ยมันก็มันก็รู้นะบางครั้งมันก็เข้าไปแทรกแซงอบางครั้งเนี่ยมันเหมือนรู้แต่มันไม่ยอมแล้วมันพยายามที่จะย้อนกลับไปหาสิ่งที่มันมากระทบแต่ทีแรกแรนะจิตมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไปเลยครับมันมีนานาชนิดแบบโน้นแบบนี้ไม่เป็นไรทุกแบบล้วนแต่ไม่เที่ยงเหมือนกันนะจิตขณะนี้เป็นยังไง คือตอนนี้เนี่ยตอนขณะ น, นี้กดอยู่ครับหลวงพ่อครัครับภาวนาเป็นแล้วนะพาวนาเป็นแล้วไปดูเอาคืออยากจะถามหลวงพ่อว่าที่ผมดูตามดูขันมันทํางานไปอย่างนี้ฮะอ่าอย่างเงี้ใช้ได้แล้วใช่ไหมใช้ได้นะครับผมใช้ได้แต่จิตต้องตั้งมั่นกว่านี้นิดนึงครับจิตมันกระจายออกข้างนอกไปนิดนึงรู้สึกไหมมันไม่ตั้งมั่นครับผมนะถ้าขาดความตั้งมั่นเนี่ยปัญญาแท้ๆจะไม่เกิดเหมือนกับตามรู้นะแต่ว่าแบบตามรู้แล้วใจมันไหลาตามเข้าไปหน่อยหน่อย ทำรูปแบบเพิ่มไหมครับหลวงพ่อทำรทำูปแบบนะบถ้าทำในรูปแบบจริงทำสมถะใจตั้งมั่นขึ้นมาแต่อย่าไปเพ่งใจตั้งมั่นแล้วก็ปล่อยให้กายทำงานแล้วตามรู้ปล่อยให้จิตทำงานแล้วตามรู้นะใจ ม, มันกระจายออกนอกไปนิดนึงครับผมเอาต่อไปเออ 35, บอร์ร้อยสามสิบห้าเบอร์สิบเก้าเสร็จแล้วรบออกร้อยสามสิบห้าวันนี้รู้สึกมีโมหะเยอะค่ ะ, ะถูกต้อง หนูจะถามปัญหาว่าหนูเพิ่งสังเกตว่าตัวเองทิ้งโลกมาทางธรรมอะค่ะอะไรนะคือทิ้งโลกมาเพื่อที่จะมาทำอะคะ่ะแล้วก็เมื่อเร็วๆเนี้ยมันเห็นตัวเองทิ้งธรร ม, มะเพื่อที่จะกลับไปหาโลกอะคะอ่ะมันถึงกับขนาดพูดออกมาเพื่อที่จะแลกกันนะคะว่าจะเลิกธรร ม, มะละอืแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็รู้สึกตัวว่าเนี่ยเหมือนเห็นภัยจริงๆว่าเราจะต้องทําต่อไปยงนะคะ แล้วหลังจากนั้นหนูเห็นมานาอัตตาเยอะไม่ทราบว่าช่วงนี้หนูควรจะดูตัวนี้เยอะๆไหมคะภาวนานได้ดีขึ้นนะสังเกตไหมเราไม่ได้วางฟอร์มปฏิบัติ <คะ S 2> เรารู้สภาวะที่เกิดขึ้นอย่างซื่อๆรู้สึกไหมคล้ายๆเราบาดเจ็บมาเยอะเลยเราวางฟอร์มไม่ไหวช่วงนี้ใช่ค่ะนั้นเรารู้ซื่อๆไปอย่างนี้จิตใจขณะนี้รู้ได้สบายๆรู้ได้ดีนะอย่างแต่ก่อนนี้เป็นการรู้แบบมีสิ่งเคลือบแฝงรู้แบบเกินจริง ตอนนี้รู้แบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้ทําอะไรขึ้นมาดูออกไหมเพราะไม่มีแรงร อ, อย่างนี้แหละดีนะไม่ใช่ดีตรงไม่มีแรงนะดีตรงที่ไม่ได้ทําอะไรเรารู้เอาใจหนีไปคิดทราบไหมเมื่อกี้ไม่ทราบค่ะบอกเรารู้ไหมรู้คะ่ะเอบอกเรารู้ใช่ได้นะเราไม่ทราบว่าที่หนูดูโมหะเนี่ยคะ่ะมันถล่มเข้าไปอยู่ในโมหะด้วยหระะือเปล่าอยู่นิดหน่อยไหลเข้าไปนิดหน่อยขอบคุณคะ่ะแล้วจิตเราถูกโมหะครอบไว เบอร์หกอยู่ข้างหลังไป69คือเขาที่ราพราจารย์บอกว่ามีตัวที่เป็นนิ่งๆอยู่อะค่ะแต่ว่าวันในในวันนั้นรู้สึกว่าเหมือนมันจะหายไปแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าหายไปหรือเปลหายสิ <c oughs> ดีที่หายนะค่ะ <c oughs> แล้วก็จะขอกันบ้านต่อสังเกตไหมพอมันไม่มีตัวนิ่งเนี่ยมันทุกอย่างมันเคลื่อนไหวหมดไม่งั้นทุกอย่างเคลื่อนไหวนะเหลือตัวนิ่งอยู่ตัวเหลือตัวเที่ยงไว้ตัวใช้ไม่ได้ ตอนนี้ปล่อยให้ทุกตัวมันเคลื่อนแล้วเราก็แค่รู้นะดีแล้วละ่ะไปดูต่อไปแล้วทำในรูปแบบบ้างนะชเช่นเดินแล้วก็คอยรู้สึกตัวเดินแล้วรู้สึกตัวบ้างซ้อมทุกวันแบ่งเวลาสักนิดหน่อยก็ยังดีมันจะทําให้จิตมีแรงพอเราปล่อยหมดเลยเดี๋ยวมันไม่มีแรงะนะแรงมันจะตกง่ายทำในรูปแบบน ะ, ะเบอ่อ26กนมันสกรพระอาจารย์บังคับคไหมวันนี้บังคับจิตอยู่หรือเปล่า ดูดูยังไม่ออกค่ะดูไม่ออกเนาะ อ, อ้ะ <c oughs> อะาวว่ไปเออจะกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยหนูสังเกตว่าเวลานั่งสมาธิหรือแม้กระทั่งในชีวิตประจําวันนะคะจะได้สติสัมากว่าอย่างอื่นนะคะคือจะเห็นว่าตัวเองเผลอไปคิดบ่อยๆเ อ, ออย่างนั้นดีค่ะเห็นตอนนั่งสมาธิใช่ไหมเห็นตอนนั่งสมาธิด้วยค่ะเออย่างนั้นดีแล้วละดูอย่างนั้นบ่อยๆค ระวังอันเดียวเวลาจิตไปรู้อะไรนะอย่าให้มันถลําไปอย่าให้มันไหลตามไปของคุณเวลารู้แล้วยังไหลตามอยู่เป็นค่ะถ้าเจอความทุกข์<ม>หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเข้าไปอยู่กับความทุกข์เลยเ อ, อ, อย่ค่ะนะพระอาให้คอยรู้เอานะอย่าไปฝืนนะมไม่ใช่ว่าห้ามไหลไหลไปแล้วรู้เอาค่ะเอเบอร์หกสิบสี่การมาัสการหลวงพ่อนะคะเพิ่งมาครั้งแรกอะค่ะที่เนี่ยค่ะ ฟังซีดีหลวงพ่อได้มาประมาณ3เดือนแล้วค่ะหลวงพ่อดังๆนิดเถอะฟังซีดีหลวงพ่อได้ประมาณ3เดือนนะคะหลวงพ่อรู้สึกเหมือนสติตัวจริงไม่เคยเกิดเลยค่ะเวลารู้ได้ยังไงอ่ะก็ก็เวลาโกรธนะคะหลวงพ่อก็รู้ว่าโกรธนะคะแต่ว่าพอตัวเองก็จะภาคว่าโกรธแล้วมันก็ไม่หยุดโกรธนะคะหลวงพ่อใจไม่เป็นกลางค่ะนะต่อไปเวลามันโกรธขึ้นมารู้ว่ามันโกรธนะอยากให้หายรู้ว่าอยากหาย ใจเรายังไม่เป็นกลางคือรู้สึกเหมือนกับว่าเวลาเวลาหายโกรธก็จะลืมว่าหายโกรธอะคะ่ะแล้วมีการบ้านอะไรให้หนูไหมคะนั่นแหละไปดูใจที่ไม่เป็นกลางเวลาโกรธขึ้นมาน ะ, ะใจอยากหายให้รู้ที่อยากไม่ต้องรู้ที่กโกรธดูผิดตัวโกรธเป็นอดีตไปและตัวปัจจุบันคืออยากเกิดขึ้นใหม่สดสดร้อนๆ น, นี่ดูตัวปัจจุบันนี่ อย่างเมื่อกี้ใจลอยไปพูบหนึ่งรู้สึกไหมเออใช่ได้ขณะเนี้บังคับอยู่รู้สึกไหมเออใช่ได้ละเบอเ์เก้ากราบนะมัสการหลวงพ่อค่ะคือมีความรู้สึกว่าตัวเองจะติดเพ่งหรือไม่ก็หลงไปอะค่ะเพราะมันจะแน่นๆอยู่ตรงเนี้ยค่ะเออมันถูกนะเพราะสิ่งที่ผิดมีสองอันนะไม่เพ่งไว้ก็หลงแล้วรู้มันอยู่ตรงไหนรู้มันอยู่ตรงที่มันหลงไปเนี่ยนะรู้ว่าหลงตรงนั้นนะรู้ะ แล้วเพ่งอยู่แล้วใจเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะตรงนั้นเรารู้ขึ้นมาไม่ต้องแก้จิตไปเพ่งเพราะว่ามันเคยชินที่จะเพง่งจิตไหลไปตามความเคยชินเราฝึกของเขาฝึกฝึกเข้ามาแบบนี้เองเราห้ามเขาไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเขาไปเพง่งรู้ว่าเขาเพง่งนะแล้วเขาเพ่งแล้วใจเราพอใจรู้ว่าพอใจใจเราเกิดไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจนะรู้เล่นๆไปมันเพ่งไม่ได้ตลอดเดี๋ยวมันก็ต้องเลิกนะ อย่าฝึกน้อมใจให้นิ่งนะอย่าฝึกน้อมใจไปสู่ความนิ่งความว่างพยายามรู้สึกตัวของคุณต้องมารูกายด้วยนะอยายารู้สึกอยู่ที่กายด้วยไม่งั้นใจมันจะดิ่งเข้าไปหาความสงบภายในมากไปแล้วพยายามรู้สึกตัวรู้ทันใจสังเกตั้ยจิตของเราเนี่ยถูกอารมณ์เบาๆบางๆครอบงาอยู่รู้สึกค่ะเออตัวนี้ติดอยู่ให้รู้ทันตัวนี้ หลายคนเลยที่ไปติดตัวนี้หลวงพ่อเคยเจอมีอยู่สำนักหนึ่งนะติดอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยทั้งสำนักเลยประเภทมองหน้าปุ๊บเลยรู้เลยลูกศิษย์ใครอ่ะเน้นอย่าน้อมใจให้มันเบาๆอ้อยสรอยอ้อยเอียงอยู่นะกลับมารู้ึทําความรู้สึกตัวให้เข้มข้นกว่านี้หน่อยอย่างเงี้ยให้มันชัดๆขึ้นมานะเน้นใจมันไปลอยเบาๆเนี้ยไปอีกแล้วรู้สึกไหม รู้สึกคเ อ, อตรงนี้ไม่เอานะให้รู้ทันตัวนี้นะตัวนี้ตัวร้ายเลยไปหลงอยู่ตรงนี้นะมีแต่ความสุขเพลินเหมือนพลาละหันเลยนะพอจําได้ไหมตรงที่หลวงพ่อบอกเนี้ยจําได้ค่ะเออดีอย่าหลุดเข้าไปอยู่ข้างในนั้นเบอร์ร้อยสิบอดน้อมกราบลมัศการเจ้าค่ะหลวงพ่อครั้งแรกที่มาที่นี่เจ้าค่ะถูกครูบาอาจารย์ขอร้องให้มาพบหลวงพ่อ่เจ้าค่ะเหรอถูกน่าสงสาร <laughs> ก็ให้หลวงพ่อแนะนําด้วยเจ้าอาจารย์อะไรอ่ะให้มาหาหลวงพ่อท่านอยู่ที่โครานะเจ้าค่ะคงเป็นห่วงโยมาเจ้าค่ะคือตัวสําคัญน่าอยู่ที่มีความรู้สึกตัวสติแปลว่ความระลึกได้ไม่ได้แปลว่ากําหนดนะเจ้าค่ะอย่าไปกําหนดกําหนดนั่นเป็นอุบายที่อาจารย์ชั้นหลังท่านสร้างขึ้นมานะงั้นเห็นร่างกายนี้พองเห็นร่างกายนี้ยุบใจเราเป็นคนดู เวลาเดินจงกรมเห็นร่างกายมันเดินไม่ต้องไปดูรายละเอียดมันยกมันย่างอะไรเงี้ยถ้าดูรายละเอียดจิตจะถลําลงไปเพ่งนะเดี๋ยวไม่สบายดูห่างๆเห็นร่างกายมันเดินไปใจเราเป็นแค่คนดูอย่างตอนเนี้ใจจิตมันวิ่งมาที่หลวงพ่อรู้สึกไหมให้รู้ทันว่าจิตวิ่งมาอยู่กับหลวงพ่อนะเนี่ยเมื่อกี้พยักหน้ารู้สึกไหมเมื่อกี้พยักหน้าเพราะคุณต้องปล่อยการบังคับจิตไว้คุณติดเพ่งนะ ส่วนมากเทีฝึกอย่างคุณเนี่ยจะติดเพ่งมาเกือบทั้งหมดเลยเพาะมันทำสมถะกลายเป็นสมถไมะไปจิตสงสัยขึ้นมาวูบหนึ่งทราบไหม ค, ความสงสัยมันผุดขึ้นมาเราก็รู้ว่าสงสัยนะแค่รู้เล่นๆไม่ต้องกําหนดน ะ, ะเลิกกาหนดเลยนะที่ติดอยู่ตรงนี้เพราะว่าชอบกําหนดอนะอยากกําหนดปล่อยให้มันทํางานปล่อยให้กายเคลื่อนไหวแล้วตามดูปล่อยให้จิตเคลื่อนไหวแล้วก็ตามดูอย่างตอนเนี้จิตไปคิดทราบไหม จเออจิตไปคิดก็แค่รู้ว่าจิตไปคิดนะไม่ว่ามันรู้สึกไหมจิตตรงนี้โปร่งกว่าเมื่อกี้เห็นนิดนึงเจ้าคนะ่ะเนื่องให้เรารู้สภาวะโลกปัจจุบันในะใจจะค่อยโปร่งขึ้นโปร่งขึ้นจะรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมานะไม่งั้นใจเดี๋ยวมันหลงหลงห ล, ลงไปน ะ, าะบางคนคุมไม่อยู่ตเตลิดไปเลยต้องไปหาหมอเลย <c oughs> นะอย่ามรู้สึกตัวรู้สึกตัวอย่า ก, กําหนดจำไว้น ะ, ะดูร่างกายมันพองดูร่างกายมันยุบดูร่างกายมันหายใจ ดูเล่นๆใจเราไม่ไหลเข้าไปที่ท้อง <Ừ. S 1> เวลาเดินจงกรมเห็นร่างกายมันเดินใจเราไม่ไหลไปที่เท้าะนะพอเจ้าขาส่วนมากมันจะมีอาการตามนั่น<ะ>แหละมั น, มนชอบไหลาตามตรงเนี้ยให้รู้ทันว่ามันจะไหลไปตรงที่ทำผิดนะคือตรงที่ไหลไปนี่แนวฟ อ, องยบจริงๆถ้าทำถูกหลักก็ใช้ได้แต่ส่วนมากทำผิดคือเวลาถ้าดูท้องฟองยบเนี่ยถ้าจิตเราเป็นผู้ดูอยู่เห็นร่างกายพองร่างกายยบอย่างนี้ใช้ได้ ส่วนมากทําให้เป็นจิตจะไหลลงไปอยู่ที่ท้องพอจิตลงไปอยู่ที่ท้องมันคือการเพ่งตัวอารมณ์เป็นสมถกรรมฐานนะจิตไม่ได้เป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาดฉะนั้นพยายามอย่าไปกําหนดนะเลิกกําหนดซ ะ, ะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเช่นร่างกายมันพองยุบเนี่ยเราแค่รู้สึกรู้สึกเห็นร่างกายมันพองร่างกายมีฟใจเราอยู่ต่างหากอย่าให้ใจไหลเข้าไประวังตรงที่ใจไหลท่านั้นแหละเจะน ะ, ะต่อไปให้ซีก น, นี้ข้างหลังข้างหลัง เบอร์ห้สาเบอร์ห้าสิบสามยกไว้ห้าสามกล่าวหลวงพ่อครับรู้สึกช่วงนี้จิตไม่ตั้งมั่นหรือเปล่าครับมันหลงไว้กับกิเลสง่ายมากครับจิตไม่ตั้งมั่นถูกเยอะครับเยอะ <laughs> <laughs> พยายามบริกรรมไว้ก็ได้หรือทํำกรรมฐานอะไรไว้อย่างหนึ่งก็ได้นะให้เป็นที่อยู่ของจิตเช่นอยู่กับพุโทโธก็ได้พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธนะแล้วใจเราหนีไปจากพุโทโธเราก็คอยรู้ทัน หรือยู่กับลมหายใจก็ได้หายใจไปเรื่อยๆรู้สึกตัวไปพอขาดสติจิตมันหนีไปที่อื่นเราก็รู้ว่าเผลอไปแล้วนะพยายามรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจบ่อยๆใจมันฟุ้งไปนิดนึงขอบคุณหลวงพ่อครับรู้สึกไหมจิตขณะนี้ไม่ธรรมดาดูออกไหมจิตมันโล่งๆโปร่งๆเข้าไปนะนะพยายามรู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวไว้หายใจไว้หายใจไว้อย่าหยุดหายใจหายใจไว้ าหายใจแล้ว เ, เ, เรียวความรู้สึกตัวชัดกว่าเมื่อกี้ดูออกไหมาหายใจไว้นะหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกไป เ, เบอร์ร้อยเจก่อนวันสการหลวงพ่อครับผมฟังสวดีหลวงพ่อมาประมาณ3เดือนแล้วมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ครับมาครั้งแรกเล้อยากจะมาพักที่วัดหนองนองเลงน้องเลงครับจนถึงวันอาทิตย์หน้าจะขอ กรรมฐานหลวงพ่อกรรมฐานนะอยู่กับตัวเองแล้วพ่อแม่ให้มาแต่เกิดแล้วกรรมฐานคือกายกใจนะไม่ต้องมาขอหลวงพ่อนะรเราแค่ฝึกสติรู้มันนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกอย่างตอนนี้จิตแอบไปคิดทราบไหมราบครับจิตไปคิดก็รู้สึกของคุณฝึกมาพอใช้ได้แล้วล่ะสติ<ม>ก็เกิดแล้วผมฝึกมาสายหลวงพ่อเทียนครับนั่นแหละใช้ได้แล้วแ ร, รู้ ระยะหลังรู้สึกว่าโกรธบ่อยแล้วก็ดีเพราะว่าไม่ได้เก็บกดครับโกรธแล้วรู้นะครับโกรธแล้วรู้ถ้าคนภาวนาแล้วไม่เคยโกรธเลยนะะพวกเก็บกฎเอาไว้ครัเขาคุณใช้ได้แล้วสายหลวงพ่อเทียนตอนนี้หลวงพ่อคำเขียนไบเก่งจริงๆนะใครไปเรียนกับท่านได้ก็แบ่งๆไปเรียนบ้างใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมดีนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วแต่จิตไม่ตั้งมั่น รู้สึกไหมความรู้สึกตัวของเราอยู่นอกๆให้รู้ทันตัวนี้นะครับถ้าจิตไม่ตั้งมั่นอริยมรจะไม่เกิดครับจำไว้นะให้รู้ทันว่าจิตยังไม่ตั้งมั่นดูออกป่าวดูออกครับเออนั่นแหละรู้ตัวนะปัญหาของคุณตอนนี้คือจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นร้อยี่สิบเอ็ดกราบหลวงพ่อคะ่ะคือไม่ได้ส่งมานานแล้วขออนุ ญ, ญาตก็ตอนนี้ก็เท่าที่ดูก็ยัง เหมือนกับก้าวหน้าไปช้าๆดูมันสิใชจมันหงุดหงิดก็รู้ทันมันมันรู้สึกก้าวช้าเกินไปหงุดหงิดแล้วนะให้รู้ทันเอานะอยากเร็วยังมีความอยากอยู่เยอะนะคะอยากดีเอออยากดีนะแล้วรู้สึกไม่ได้อย่างใจมันเลยหงุดหงิดขึ้นมานะไปรู้ทันเอานะอยากดีก็ไม่ดีหรอกเอาส่งขึ้นมาข้างหน้าสองคนมาเมื่อกี้ยกไว้ค้ำแดนมาแต่ว่าไม่มีเบอร์อ้าคุณนั่นแหละการมรดกสการ์หลวงพ่อครับ ผมขอถามคําถามสามข้อครับผมเปลี่ยนมาปฏิบัติทางแนวทางของท่านอาจารย์ตั้งแต่ปลายปีสี่เกขึ้นปีนี้ก็ขึ้นปีที่สามก็เข้าใจว่าตัวเองนี่ดูสภาวะอันนี้ได้แล้วครับโดยได้ความโกรธครับแล้วก็ความโลภส่วนความหลงนี้จะโดยได้น้อยหน่อยเพราะว่าจะหลงห ล, ลงไปคิดเยอะหน่อยครับแล้ว ทราบว่าตัวเองนี้เขาเข้าใจว่าตัวเองนี้ยังดูไม่ถึงฐานใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่ามันไปไม่ถึงไหนเลยครับมันอยู่ข้างนอกนอยนิดหนึ่งนะยังไม่เข้าฐานจริงๆรู้รู้สึกไหมเวลาเรารู้สึกตัวอย่างขณะนี้ยรู้สึกไหมใจเราอยู่ข้างนอกผมรู้สึกแต่ว่ารู้สึกไหมมันโปรงโปรงออกไปข้างนอกมันโปรงแล้วมันไปกดอยู่ด้วยนะครับอมันกดอยู่ไงแต่ว่าอันหนึ่งโปรงโปรงอยู่ดูออกไหมมันไปอยู่ข้างนอกอ่ะ อ๋ออย่างนี้แล้ว่าอยู่ข้างนอกเหรอครับข้างในเนี่ยกดเอาไว้นะแต่<ช>จิตจะไปอยู่ข้างนอกคล้ายๆเราเหยียบหางหมาไว้หัวหมาไปอยู่ตรงนู้นแล้วหางมันอยู่ทางนี้ <laughs> มันไม่เข้ามาทั้งตัวครับส่วนข้อที่2นี่คือคือเนื่องจากว่าเข้าใจว่ามันมันไม่ถึงฐานแล้วก็จิตยังไม่ไม่มีกําลังพอก็เลยทําสมาธิก็คือนั่งทำทำ ท, ำทำกรรมฐาน ผมจะถนัดทางด้านดูลมหายใจ <S 1> <S 1> <S <S คือตอนเนี้จิตของโยมมีกําลังนะมีกําลังเพียงแต่ว่าจิตมันยังเคลื่อนอยู่ข้างนอกมันยังไม่เข้าที่แล้วตรงที่มันแน่นๆอยู่เนี่ยเพราะเราบังคับไว้ <S <S <S <S เลิกบังคับซนะจิตเป็นยังไงก็ได้อย่าไปบังคับมันไอ้ตรงที่แน่นนี้ก็จะหายไปแล้วก็เราจะรู้เลยใจเราไปปร่งโปร่งอยู่ข้างนอกมันไม่ยอมย้อนมารู้กายรู้ใจเพราะเรารู้ว่าใจเราไปโปร่งโปร่งอยู่ข้างนอกไม่ย้อนมารู้กายรู้ใจนะมันจะย้อนเข้ามาเองไม่ต้องดึงนะ ถ้าดึงแล้วจะแน่นครับส่วนข้อที่สามนี้ถ้าถ้าคือไม่ทราบว่าปฏิบัติอยู่อยู่อย่างนี้คือคือชาตินี้ทั้งชาตินี้จะไปจะพ้นอบายป่าเขาท่านอาจารย์คือถ้าใจตั้งมั่นกว่านี้ก็พ้นใจบรนถึงฐานนะจะพ้นได้สามปีที่คุณทำมาจิตคุณเปลี่ยนไปเยอะดูออกไหมจิตไม่เหมือนเดิมใช่ครับ นั่นแหละดีขึ้นแล้ะขาดอยู่นิดเดียวแหละใจมันไปอยู่นอกๆไปอย่าไปกดนี่เริ่มกดแรงอีกแล้วอย่าไปกดมันเออปล่อยปล่อยปล่อยให้สบายๆแล้วก็แค่รู้ว่าตอนนี้มันไปรู้กว้างๆโล่งๆอยู่นะแล้วใจเราหยินดีในความโล่งนี้ก็รู้นะใจเรายินร้ายในความโล่งๆนี้ก็รู้ให้รู้ทันที่ยินดียินร้ายเนี่มันจะทวนกระแสเข้ามาเองเบอรอยยี หลวงการบ้านครั้งแรกค่ะหลวงพ่ออยากเรียนถามว่าการปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างคะเอาครั้งแรกก็เป็นอย่างไรเหรอกิเลสเกิดบ่อยเห็นหรือยังเห็นค่ะหลวงพ่อใช้ได้นะดีสังเกตไหมใจเราตอนนี้อยู่ข้างนอกใจมาอยู่ที่หลวงพ่อค่ะซาตนเต้นมากเลยตื่นเต้นไม่เป็นไรนะตื่นเต้นก็ดูจิตใจมันตื่นเต้น เราเป็นแค่คนดูจิตนี้ไปคิดรู้ว่าจิตนี้ไปคิดจิตนี้ไปอีกแล้วรู้ไหมใ <c oughs> ครรู้สึกตัวไว้นะ <c oughs> ใช้ได้นะที่ฝึกอยู่ดี ล, <c oughs> ละกลับขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะเอาซีกนี้บ้างซีกนี้บ้างมีไหมร้ย108อย108ร้อยแยกมือเอ้าแดงเหรอครับผมอุตส่าห์มาจากพระปมครับเก่าจนสนิมจับครับ จะให้พระอาจารย์ข้อสนิมครับหรอดูกิเลสได้ยังอย่าไปกดไว้น้าแดงครับกรรมฐานเดิมที่ทํามันชอบเพ่งอ่ะครับอย่าไปเพ่งมันกลับไปเพ่งรู้เล่นเ่นไปรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกอย่างตอนนี้จิตไปคิดแล้วรู้สึกไหมครับจิตไปคิดก็รู้นะรู้เล่นเล่นไม่ต้องรู้ตลอดเวลารู้บ้างเผลอบ้างลูกเป็นไงลูกโตแล้วยังคนโตแปขวบครับ คนเล็กสองขวบครับเหลอห่างกันเนาะจิตนี้ไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมเวลาพูดถึงลูกเห็นหน้าลูกโผล่ไหมเออเห็นเราก็รู้ทันนะแล้วใจเราเคลื่อนไปเราก็รู้นะเคยรู้สึกไว้แล้วไงอีกแค่นี้ครับอย่า ก, กดนะของแดงกดไว้ปล่อยให้เป็นธรรมชาติจิตที่เป็นธรรมดาที่สุดดีที่สุดนะจิตที่บังคับไว้ไม่ดีเบอร์สี่สิบเอ็ด กานพัสมการหลวงพ่อครับผมมาจากสุรินทร์ครับอยากขอแนวทางในการปฏิบัติจากหลวงพ่อไปหาหลวงปู่เอียนไปหลวงปู่อะไรนะครับหลวงปู่เอียนตรงไหนครับอยู่วัดโคกป่อนวัดน่นมาถามคนนี้ถามอ้าวประสานชูมือให้เขาดูหนยนี่ครับฝึกกรรมฐานนะฝึกให้มีสตินะอย่าไปเล่นอิทีลิสต์นะพยายามรู้สึกตัวขอบคุณนะความรู้สึกตัวมันเริ่มเกิดแล้ว งั <necessary. S 2> ้นจากใจเราลอยไปเรารู้ว่าใจลอยเดีจะไปอีกแล้วรู้สึกไหมรู้สึกครับนะใจลอยรู้ว่าใจลอยใจลอยรู้ว่าใจลอยในขณะเดียวกันก็ไม่บังคับตัวเองไวของคุณตอนนี้บังคับแรงไปนิดนึงตื่นเต้นครับเออตื่นเต้นก็ไม่เป็นไรอย่าไปบังคับมันนะตื่นเต้นกับบังคับคนละอันกันนะตื่นเต้นก็จิตใจมันตื่นเต้นเราไม่อยากตื่นเต้นเราเลยไปบังคับมันไว้ที่คุณฝึกอยู่ใช้ได้นะครับ กับเรียนถามหลวงพ่อ3ข้อนะครับพอดีเพิ่งมีโอกาสส่งกันบ้านครั้งแรกศึกษาจากซีดีหลวงพ่อมาประมาณ4เดือนนะครับ เ, เรื่องแรกเกี่ยวกับตัวเองแล้วกันนะครับผมเป็นคนที่มีอนุสัยคื อ, อหลงบ่อยนะครับพอศึกษาไปก็จะเห็นอันนี้จะกราบเรียนถามว่า เวลาที่หลายๆครั้งผมหลงเนี่ยอ ย, อย่างเช่นว่าหลงคิดถึงลูกชายคนเล็กเนี่ยพอทันทีที่หลงก็จะรู้รู้ตัวว่าหลงแล้วหลังจากนั้นก็จะรู้ว่าตามมาก็คือว่ามีความสุข อ, อ, อันนี้ไม่ทราบว่าถูกต้องไหมครับถูกสิถูกแล้วนะพอเรารู้ทันสภาวะนะใจเราก็รู้ตื่นแล้วก็เบิกบานขึ้นมาเรื่องที่รู้ว่ามีความสุขนี่ มันเป็นความรู้สึกนี่คือเวทนาใช่ไหมครับหลวงพ่อใช่ครับแล้วเวทนานี่จริงๆแล้วดูยากอย่างเช่นว่าเวทนาบางอย่างถ้าเรารู้สึกหนาวอย่างเงี้ยความยากตรงที่มันจะไม่เห็นว่ามันดับใช่ไหมครับหลวงพ่อความยากความหนาวความเย็นนี่ไม่ใช่เวทนานะเป็นรูปเป็นธาตุไฟเราสัมผัสธาตุไฟธาตุไฟน้อยๆรู้สึกหนาว แต่พอหนาวแล้วเรามีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยก็รู้ว่ามีความทุกข์ตัวทุกข์นี่เป็นตัวเวทนาหนาวไม่ใช่เวทนานะแล้วจริงๆแล้วเมื่อกี้ได้สองอสองสเต็ปก็คือรู้ว่าหลงกับรู้ว่าสุขจริงๆแล้วเข้าใจเองว่าควรจะรู้ต่อไปัหมครับว่ า, าหายแล้วก็คือว่ า, ารู้สึกเฉยๆแล้วไ ม, ไม่จาเป็นนะ สภาวะใดเป็นปัจจุบันก็รู้นั้นแหละรู้เท่าที่รู้ได้ไม่ใช่ว่าควรจะรู้แค่ไหนมันรู้ได้แค่ไหนมันก็แค่นั้นเพียงแต่ว่าพอเราหัดบ่อยๆมันจะรู้ได้ต่อเนื่องยาวนานมากขึ้นจะเห็นความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับข้อที่สองนะครับพอดีจะถามแทนภรรยาผม<อ>เขาเป็นคนที่อนุสัยจะโทสะแรงมากยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานนี้ พอดีเขามีโทสะแรงแล้วก็โมโหลูกลูกสาวคนโตแล้วก็ตีค่อนข้างจ ะ, ะใช้โทสะนะครับผมก็ไปห้ามก็มคือเพราะว่าเขาใช้โทสะแรงแต่ว่าไม่กล้าไม่กล้าเตือนว่าเขาขาดสติเพราะว่าเคยเตือนแล้วเขาเขาสวนกลับมานะฮะแต่ว่าเขาเขาชอบฟังซีดีหลวงพ่อมากอนะครับคือจะฟังในรถเพราะว่าผมผมเปิดฟังบ่อย อ, อแล้วก็ เมื่อวานพอตอนเย็นๆก็มีการคุยกันผมก็ถามเขาว่าตอนเขาอารมณ์เย็นลงแล้วถามว่าที่ตีลูกเนี่ยที่ผมห้ามเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ให้ตีแต่ว่าที่ห้ามเพราะว่าโทสะเขาแรงมากผมไม่อยากให้เขาตีด้วยความใช้แต่โทสะนะครับซึ่งไม่ถูกต้องแล้วก็บอกเขาว่ารู้สึกตัวไหมว่าตอนนั้นเนี่ยขาดสติอืคําตอบของเขาก็คือว่าเขาบอกว่าเขาลุกเขามีความรู้สึกว่าเขารู้ขึ้นมา แว็บหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ไม่หายตรงโทรสะที่แรงๆแล้วมันไม่หายเนี่ย อ, อยากจะเรียนถามหลวงพ่อเพราะเมื่อก่อนผมก็เคยเป็นตอนตอนอาตามรู้ตามรู้แรกๆนะครับแต่ปัจจุบันหลงผมเนี่ยหายเพราะว่าผมดูความหลงบ่อยแล้วมันดับทำใหโทรสะเกิดขึ้นแล้วดับที่ไม่หายเนี่ยเป็นเพราะว่าดูไม่ถูกต้องจริงๆหรือว่าคือจริงๆไ ม, ไม่สนใจจะดู เวลาเราโกรธขึ้นมานะเราจะไปดูคนที่เราโกรธมากกว่าอย่างพอความโกรธผุดขึ้นมาโกรธลูกเนี้ยพอความโกรธผุดขึ้นมาพอเห็นนะมันจะดับไปแป๊บหนึง่งเสร็จแล้วพอหันไปดูลูกใหม่นะมันก็ปรุงโทสะขึ้นมาอีกนะแล้วปรุงอีกแสดงว่าก็จะเกิดขึ้นใหม่ใช่ไหมครับจิตที่ที่เป็นก็ เ, กนเป็นโทสะดวงใหม่ขึ้นมานะจริงๆแล้วคือหายแต่ว่าเกิดดวงใหม่ขึ้นมามใช่ไหมครับเพราะมันยังมีเหตุอยู่ยังใส่ใจนะัยังมีพยาบาทวิตกกับลูกอยู่ กราบเรียนถามข้อสุดท้ายนะครับจะรู้ได้ไงครับหลวงพ่อว่าจิตตั้งมั่นหรือเปล่าแล้วก็จิตมีกําลังหรือเปล่าครับจิตของคุณมีกําลังนะแต่ตอนนี้มันไม่ตั้งมั่นมันออกมาอยู่กับหลวงพ่อนี่ดุออกใช่ไหมของคุณภาวนาดีนะใช้ได้ขอบพระคุณครับให้คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปข้างนอกนะแต่อย่าดึงไว้ของคุณให้กันบ้านนะับให้รู้ทันจิตที่ออกไปข้างนอกจิตที่ไหลไปแต่อย่าไปดึงมันไว้ เบ <93. S 2> อกกร์93ก่าวถึงพระสงก์หลวงพ่อครับปณีมากับคุณแม่นะครับเลยอยากขอถามแทนคุณแม่แล้วเดี๋ยวจะส่งไปให้ให้คุณแม่ถามไหนนะคุณแม่อยู่ไหนอายู่แถวที่สองผู้หญิงสูงอายุผมขาวๆครับอ๋อ oh. ครับอยากอยาให้หลวงพ่อนําดูสภาวะอา้าคุณลูกก่อนฮะคุณลูกส่งกันบ้านก่อน <laughs> คุณลูกเ ป, เป็นยังไงอรัของผมพยายามดูสติในชีวิตประจําวันครับก็บางครั้งก็ดูเหมือนเพ่ง บางครั้งก็ดูเหมือนดูได้แค่วันละครั้งแล้วก็รู้สึกเหมือนจิตไม่ค่อยตั้งมั่นเท่าไหร่คุณต้องหัดแบบมีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งก่อนนะอะไรก็ได้พุโทโธก็ได้หายใจก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็คอยสังเกตจิตไปเรื่อยๆเช่นพุโทโธพุโทโธจิตไปคิดแล้รู้จิตไปคิดแล้รู้จิตหนักก็รู้จิตเบาก็รู้เนียต้องซ้อมรู้ถ้าซ้อมรู้บ่อยๆมันจะได้รู้เร็วนะสติจะเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นของคุณแม่ฟังซีดีบ้างไหม ัครบนจะส่งกันบ้านไหมโยมอ ส, ส่งไมลมา <c oughs> ก่อนทีมาตรการหลวงพ่อค่ะดิฉันเคยไปหาหลวงพ่อที่วัดที่หลวงตาลาลวงจินนะอ่ะฉันปวดหลังมากจันดูเวทนานามปวดนะอ่ะแล้วหลวงพ่อแนะนําให้ฉันดูจิตถ้าดูแล้วมันเฉยๆยังเออเห็นไหมจิตไม่ได้ปวดเวลาเวทนาเกิดขึ้นโนะยมสังเกตดู ร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความปวดก็อยู่ส่วนหนึ่งนะจิตที่เป็นคนดูเนี่ยก็อยู่อีกส่วนหนึ่งจิตไม่เคยปวดด้วยดังั้นเวลาสมมตเราไม่สบายมากจนป่วยมากเลยใกล้จะตายเนี่ยเราเห็นในร่างกายมันเจ็บปวดร่างกายมันทรมานนะจิตเราเป็นคนดูจิตจะไม่ทุกข์ด้วยนะเราจะมีตัวหนึ่งที่มันไม่ทุกข์จะได้อาศัยมัน วิธีดูเวทนาไม่ใช่ดูเพื่อให้หายจากเวทนานะดูไปจกนกรทั้งเห็นว่าเวทนามันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของที่แปรปลอมเข้ามาให้จิตรูนะ้กายจะแยกออกไปส่วนหนึ่งเวทนาจะแยกออกไปอยู่อีกส่วนหนึ่งจิตจะแยกตัวออกมาอยู่อีกส่วนหนึ่งพอมันแยกกันได้เนี่ยเราจะไม่ทุกข์ละเวทนามีอยู่นะแต่ใจจะไม่ ไ, ไม่มีความทุกข<อ>์เราฝึกไปจนทั้งใจเราไม่ทุกข์ ส่วนเวทนาทางกายเนี่ยถึงยังไงก็ต้องมีมันมีกายอยู่แล้วมันต้องมีแต่มันไม่หายปวดกันไม่หายต้องไปกินยาแก้ปวดถึงจะหายนะเวทนานี่เราภาวนาไม่ใช่เพื่อให้หายปวดนะแต่เราภาวนาเพื่อให้หายกลุ่มใจความปวดทางร่างกายจะมีอยู่แต่ว่าความทุกข์ทรมานทางใจจะไม่มีคนทั่วๆไปพอร่างกายไม่สบายเนี่ยจิตใจจะทุกข์ทรมานไปด้วยเรียกว่าเจ็บสองครั้งพระพุทธเจ้าท่าน เปรียบเทีย บ, บอกเหมือนคนถูกยิงด้วยลูกธนูถูกลูกหนึ่งแล้วนะยังไม่พอต้องถูกลูกที่สองซ้ําเข้าไปอีกก็เลยทุกมากคนซึ่งหัดภาวนาเนี่ยเหมือนถูกยิงด้วยลูกธนูที่ร่างกายนะแต่ใจจะไม่เจ็บเจ็บครั้งเดียวคนที่ไม่ได้ภาวนาเนี่ยพอร่างกายเจ็บปวดนะใจจะทุรนทุลายไปด้วยเราภาวนาเนี่ยใจเราพ้นจากความทุกข์แต่กายไม่พ้นออกโยมกาไม่หายกายไม่หายไม่หายนะ <'T> กลายเป็นวิบ า, <ข interrupted. S 1> ากต้องรับหลงมากค่ะหลงมากค่ะหลงมากคอยรู้ทันนะใจลอยคอยรู้ใจลอยคอยรู้ไว้ <c oughs> ใจมันหนีแวบไปคิดโยมคอยรู้ใจหนีแวบไปคิดโยมคอยรู้นะยอมอาจะขยับมือเล่นก็ได้นะเอ็กซ์เซอร์ไซส์ไปด้วยนะข้อเราจะได้ไม่ติดขัดขยับขยับเงี้ยขยับเล่นเล่นขยับสบายสบายแล้วใจเราหนีไปแวบเรารู้ทันว่าใจหนีไปมาขยับเล่นเล่นอีกขยับไปแล้วใ จ, นวนใจหนีอีกแวบหนึ่งรู้สึกอีก เวทนาทางกายไม่หายน ะ, ะแต่เวทนาคือความทุกข์ทางใจจะไม่มีขอบคุณค่ ะ, ะได้แค่นี้โยมเชิญกลับบ้าน